ในวันนี้เป็นวันพระเดือน12เพนนปี2549ตรงกับวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนเป็นวันรักษาศีลเป็นวันปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นวันอุโบสถ ของฝ่ายพระสงฆ์ด้วยสมัยในครั้งพุทธกาลชาวโลกของเขาก็ถือว่าเป็นวันสดใสของวันสิ้นปีเหมือนกับวันปีใหม่อย่างนั้นน่ะพอหลักของพุทธศาสนายุคสมัยนั้นเขาถือกันว่าปีหนึ่งมีสามฤดูฤดูหนึ่งมีสีเดือน เดือนสิบสองเพนในแปลว่าสิ้นเขตและดูฝน้ตแต่วันพุงนี้เป็นต้นไปเข้าเขตและดูหนาวฤดูหนาวไปอีกสี่เดือนถึงเพนเดือน4เมื่อถึงเพนเดือนสี่แล้วเข้าเขตฤดูร้อนจากเพนเดือน4ี่ไปถึงเดือน8เพนเมื่อถึงเดือน8เพนเป็นวันเข้าพรรษาจากนั้นก็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 เมื่อชรลาแล้วกัเป็นยังไงพยาธิมรณะพยาธิมันติดตามพวกเราอยู่ตลอดเวลาแต่่วยมากพวกเราจะมองไม่เห็นพยาธินั้นคืออะไรจนเจ็บปวดจริงจรงยังเข้าใจว่าพยาธิแต่ตามไม่จริงพยาธิคำนี้น่ยคือเวทนาเวทนาคือการเสวยหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็คือ เวทนาและพยาธิเหมือนกันการขยับไปขยับโน้นขยับนี่การขับถ่ายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพยาธิทั้งนั้นน่ะคือเวทนาคือความเสวยทุกทุกสุขกว่างั้นแหละมีความสุขก็กินอิม่มนอนหลับสบายเท่านั้นแหะถ้านอนมากๆพลิกไปพลิกมาก็เจ็บคังหุ่นคังนี้ก็เป็นเวทนาเป็นความทุกข์ขึ้นมาอีก นี่แหละร่างกายของคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละแกเจ็บถ้าจะว่าไปแล้วเวทนาเนะ ค, คือความเจ็บปวดหรือว่าความสุขผสมประสานกันจากนั้นก็นถึงมรณะคือความตายแต่ความตายเนะี่ยหาความสุขไม่ได้ะมีแต่ทุกข์ลูกเดียวใจจะขาดะตะลีตะเหลือ ก, กระเสือ ก, กระสน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 ถ้าเราศึกษาเข้าไปลึกๆแล้วเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่จะหนีจากโรกวัตฏสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัตสงสารถ้าเราประพฤติปฏิบัติได้แล้วมีแต่จะเดินออกจากวัตวุ่นความเกิดแก่เจ็บตายแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ภาวนามีแต่ทานกับศีล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 ว่าพระพุทธองค์เองขนาดเป็นพระโพธิสัตว์เวีนยนไหวตายเกิดในวัฏสงสารก็ยังลุ่มๆุ่มรอนรอนขึ้นสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็ตกนรกมาเกิดเป็นสัตว์ที่ดิฉานมาเกิดเป็นมนุษย์คนทุกคนจนก็มามากต่อมากมาแล้วอันนี้คือพุทธหรือว่าเป็นชาดกพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติในอดีตชาติอันนี้ก็คือ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 ขนาดไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นถ้าว่าพวกเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้ชาติต่อไปเราอาจจะลุ่มหลงก็ได้แต่ชาตินี้เมื่อเราได้พบได้เจอประธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่กูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วก็ขอให้ตั้งใจใช้ปัญญาพิจารณาใ่ตรองเหตุและผลที่พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษา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 ใจของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับเราเขาก็ได้รับอที่เราเสียสละเขาก็ดีอกดีใจ อ, อย่างหลวงพ่อเอาเข้าวโพดให้หมูเอามันสำปะหลังให้หมูกินนะอหมูเห็นแล้วมันก็ดีอกดีใจเหมือนกันนะอไปเห็นแล้วอพอเอาเข้าไปให้เท่านนะั้นน่ะมันก็ดีใจมันได้รับทานนะคือการเสียสละที่เราให้มันไปอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะ ที่เราเสียสละให้แก่ลูกแก่หลานแก่ญาติพี่น้องแก่วงศ์สาคานายาติต่อพระพุทธศาสนาต่อโรงพยาบาลสาธารณประโยชน์อย่างนี้เมื่อเขาได้รับเขาก็สบายใจเราผู้ให้เราก็สบายใจเราก็ไม่เดือดร้อนถ้าเราเดือดร้อนอย่าทำถ้าไม่เดือดร้อนเออทำเราเกิดมาในโลกต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอ น, นิทานะคือการเสียสละพระพุทธเจ้าก็สอน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 ได้กระทบสิ่งพอใจสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่พอใจก็เป็นสุขก็คือสุขในใจถ้าสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ในใจส่วนกายเนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเพลกนั่งซะมันเย็นสบายเราก็มีความสุขสุ ข, ขเวทนาถ้ามันมีความทุกข์มันร้อนมันเจ็บมันปวดก็ทุกข์คเวทนามันมีทั้งสองอย่างคือกายกับใจเวทนา เบชนะนุปัชนาสติปัฏฐานจิตตาจิตความนึกคิดของใจใจคิดเรื่องอะไรคิดดีคิดชั่วเราก็รู้แก่ใจของเรามันปุ่งฟุ้งซ่านออกไปขณะนี้มันคิดเรื่องอะไระอันนี้ว่าจิตตานุปัชนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็คืออารมณ์ที่มากระทบใจใจคิด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 จะจับไม่ได้จะไม่ค่อยรู้รู้ก็จับไม่ได้เออแต่เวทนานุปัชนาเจติปัฏฐานเนี่ยพอจะรู้ได้พราะมันเจ็บปวดตรงไหนพิจารณาอย่างไรเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้กำหนดอกายานุปัชนาเจติปัฏฐานเพราะมันเป็นของหยาก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 ตนของเรานะ่ะพยาจิตตราดจะไปหลงในร่างกายจนเกินไปเนอะอีกสักวันหนึ่งร่างกายอันนี้จะต้องแตกสลายเนะ้อะอันนี้คล้ายๆให้เตือนตนด้วยตนเองอยู่เสมอให้ซ้านึกไว้อยู่เสมอว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งใจของเราจะต้องหนีออกจากร่างนี่แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอย่างพ่อนั้นพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านจึง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 สิ่งเหล่านั้นก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นภายนอกไม่ยึดมั่นร่างกายและก็ไม่ยึดมั่นในความคิดของตนเองอีกท่นี่ย้อนเข้ามาหาตัวใจย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้แหละท่านนี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดท่นี่ตัวนี้เป็นตัวการตัวนี้เป็นตัวให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจึงสําคัญขึ้นอย่างมากจนจนท่วมทับใจของเรา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 ท่านปล่อยวางอยู่ที่ใจเรื่องทั้งหลายอยู่ที่ใจทั้งหมด่ใจนันคืออะไรมันยิบยับมันคิดขึ้นมาความเศร้าหมองความพองใสความดีอกความดีใจความเสียใจมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราทั้งหมดเพราะนั้นสิ่งทั้งสองเงืนนง่อนเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยังเป็นอนิจจังอยู่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 สิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์มันจะมีทำขึ้นมาอีกอืมคือความบริสุทธิ์นั่นแหะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีสิ่งไหนที่จะมารบกวนธรรมะขั้นนั้นได้พอเราปล่อยวางแล้วรู้เท่ารู้ทันหมดแล้วอันนี้แล้วว่าธรรมะสิ่งที่ประเสรศิฐเกิดมาจากสิ่งที่ไม่ประเสรศิฐทองคํา เกิดมาจากดินก้อนขวดก็เกิดมาจากดินเหมือนกันสิ nt, ่งทั้งหลายมาจากดินเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละความโง่ความฉลาดมันออกมาจากใจเหมือนกันความโง่ออกมาจากใจความฉลาดออกมาจากใจแต่ที่นี้เมื่อเราพิจารณาการกรองไต่ตรองเหตุและผลแล้วเมื่อรู้เท่ารู้ทันและปล่อยวางแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นความฉลาดจะเกิดขึ้นมาจากตัวผู้รู้จากตัวใจนั่นแหละ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 เติบใหญ่ขึ้นมากับพพ่อแม่เป็นผู้เสียสละจากนั้นชุมชนสังคมโลกต่อโลกช่วยการเสียสละเกื้อกูลหนุนกันอันนี้คือฐานะศีละกะคือรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยจากนั้นก็ภาวนาเถอดูใจเออย่างที่ว่าเนี่ยดูใจเที่จะหลุดพ้นจริงๆให้ดูใจนะที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารไม่ใช่ดูที่อื่นดูใจ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 เนี่ยไม่มีสนิมเลยเป็นสเตนเลสร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันไดออาจจะกว่านั้นก็ได้พวะนั้นให้พวกเราชำระนะให้ดูให้ดีนะในสรุปแล้วก็คือให้ดูให้ดีมันเป็นมาตั้งแต่นู้นหลอไล่มาตามลำดับแต่เราจะพิจารณาถึงใจทีเดียวเลยเอมันก็ได้พวกกิบปิญญารู้ได้เร็วนะ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 ในเมื่อมาหาใจใจของเราเอา๋อมันมีอะไรบ้างอยู่ในใจของเร า, เามันมีราคะ เ, าเห็นสิ่งที่พอใจก็เป็นราคะขึ้นมาเห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็เป็นโทสะขึ้นมาทั้งสองเงือนก็นคือโมหะเป็นเจ้าของ เ, อเป็นเจ้ากี้เป็นเจ้าการโมหะคือความหลงสก่อนเมื่อยังรักหลงเมื่อจังโกรธหลงกกเมื่อจังโลภเพราะฉะนั้นหลงมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเนี่แหละ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 ตัวไหนตายตัวไหนเกิดมาถึงจุดนี้แล้วไม่ต้องพูดว่าตายและศูนย์ตายแล้วเกิดอั น, นั้นมันเปลือกนอกเหลือเกินถ้ามาถึงจุดนี้แล้วมันรู้ได้ด้วยตนเองทั้งนั้นแหละผ่าปฏิบัติแล้วเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิาจักชัวระยะหนึ่งแล้วค่อยเลิกลากันนะ